เม็ดแล้วก็มีปุ๋ยมีปลูกขึ้นมาก็มีเปลือกมีกัะพี้มีแก่นในที่สุดนี่ก็เหมือนกันเราจะไปพูดแต่แก่นอย่างเดียวก็ไม่ได้จะไปพูดแต่เปลือกกัะพี้อย่างเดียวก็ไม่น่าจะถู ก, กเหมือนกันเพราะเราต้องการแก่นต้องการพ้นทุกในวัฏฏะสงสารเพราะนั้นบางครั้งก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องท่าน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 ถ้าเรานั่งพับเพียบแล้วมันเอียงไปข้างหนึ่งจะทำให้ไม่ถ้านั่งนานๆแล้วไม่สงบไม่ผาสุกเพราะนั้นเรานั่งขัดสมาธินี่ร่างกายของเราตรงรงอยู่ในลักษณะตรงในเมื่อขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราประน ม, มือขึ้นระหว่างอกไหวครูเจ้ก่อนพุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆ ส, สามจบ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 ถ้มีธุระหมูพวกเพื่อนหรือว่ามีกิจธุระการงานวันรุ่งขคืนเราจะเบิ้ลสองเลยว่างั้นเถอะไอ้เออมือมอม่อคืนเนี่ยมันขาดแต่วันนี้เราจะเอาทดแทนเมื่อคืนที่แล้วนี่ไงให้ทดแทนคืนนะ อ, อไม่ใช่ว่ามันขาดไปแล้วก็ขาดไปไม่เอาเหมือนกับผ้าขาดะขาดแล้วไม่ปะไม่ชุนไม่ได้มันผ้าขาดใครๆเห็นกับโบอย่างนั้นะผ้าขาดะกางเกงขาดเนถ้าเอาว่าพวกเรา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 หาไม่เจอลมเนยก็ตกใจพอตกใจขึ้นมากระหาลมมันกรหยาบขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นอย่าตามหาลมนะทีนีนะเน้เวลากําหนดลมหายใจเข้าหายออกพุโทโธพุโทโธพุโทพโธถ้าลมหมดไม่ต้องตามลมให้ดูตัวผู้รู้ทีนี้ตัวผู้รู้นะี่คือใครใครรู้ว่าลมหายใครรู้ว่าลมหมดนี่แหละให้ย้อน กลับมาหาตัวผู้รู้นี่แหละเถ่นีอไม่ต้องตามลมนะถ้าตามลมมันจะหยาบอีกนะให้ตาให้กลับมาหาตัวผู้รู้พอกลับมาหาตัวผู้รู้นั่นแหละเถ่นี่เป็นยังไงต่อไปนะั่นะให้อยู่กับตัวผู้รู้เลยเถินี่ให้มีสติอยู่กับตัวผู้รู้ตลอดนะอย่าให้เผลอให้จับอยู่ตัวเนี้ยจับอยู่ตัวผู้รู้รู้รู้ ร, รู้อยู bon. ่เ น, นี่ยเนี่ยนี่แหละต่อไปนั้นหลวงพ่อจะไม่อธิบายเพราะนั้นพวกท่านจะรู้เองเห็นเอง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 ความจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธิจากนั้นกับพิจารณาเลยทีนอะ้ต้องสอนให้พิจารณาพิจารณาคือวิปัสสนานะอันนี้คือสมัทที่ทำจิตใจให้สงบนะั่นคือสมัทในเมื่อจิตใจสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วนำจิตใจที่มันสงบผ่านความสงบนั้นมาพิจารณาทางวิปัสสนา